วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบสามพฤศจิกายนพุทธศักราชสอง2ห้าหกสิบสองเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษา หาวิชาความรู้จากพระพุทธศาสนาที่เป็นแสงสว่างนำพาชีวิตให้ไปสู่ที่สุขที่จเจริญที่ห่างไกลจากความทุกข์จากความวุ่นวายใจต่างๆความรู้ทางพระพุทธศาสนา เราเรียกว่าปัญญาปัญญาในพระพุทธศาสนานี่มีอยู่สระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งเรียกว่าสุตมยปัญญาคือความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาจากผู้อื่นความรู้หรือปัญญาระดับที่สอง คือจินตามัยปัญญาเป็นความรู้ที่เกิดจากการเอาความรู้ที่ได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นมาพิจารณาค่อยรอยู่เนืองๆจนทำให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องทำให้ไม่หลงไม่ลืม เรียกว่าจินตามยาปัญญาความรู้ระดับที่สองความรู้ระดับที่สเรียกว่าภาวนาไมยาปัญญาเป็นความรู้ที่นําเอาความรู้จากจินตามยาปัญญามาผสมกับสมาธิคือสมถภาวนา เป็นความรู้ที่มีพลังที่จะนำให้ที่จะทำให้สามารถทำลายความทุกข์ใจต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้นี่เป็นปัญญาระดับที่สามปัญญาระดับที่หนึ่งที่สองยังไม่มีกำลังพอที่จะ ใในการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ต้องพัฒนาจากปัญญาระดับที่หนึ่งไปสู่ระดับที่สองแล้วจากระดับที่สองไปสู่ระดับที่สามถึงจะสามารถที่จะดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ ปัญญาระดับที่หนึ่งเป็นเหมือนกับมเมล็ดของพืชที่เราจะเอาไปปลูกไว้ในดินเราไปรับมเมล็ดพืชมาจากผู้ที่ขายมเมล็ดพืชหรือผู้ที่มีมเมล็ดพืชเช่นชาวนาวชาวไร่ขอหรือซื้อมเมล็ดพืชมาพอเราได้มเมล็ดพืชมาแล้ว เราก็ดำเนินขั้นที่สองคือนำเอาไปปลูกในดินพอเราปลูกในดินแล้วเราคอยทำนุบํบำรุงต้นต้นไม้ที่เราปลูกไว้จากมเมล็ดพืชก็ขึ้นมาเป็นต้นกล้าต้นไม้เล็กๆแล้วเราก็คอยให้น้ำให้ดินให้ปุ๋ยอยู่เรื่อยๆ ต่อไปต้นไม้นั้นก็งอกงามขึ้นมาเดิบใหญ่ขึ้นมาจนออกดอกออกผลนี่ก็เป็นขั้นตอนของการสร้างปัญญาทางพระพุทธศาสนาขั้นต้นเราไปรับความรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งผู้รู้วิธีดับความทุกข์ต่างๆ เพื่อที่เราจะได้เอาวิธีดับความทุกข์ต่างๆนี้มาดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราหมดสิ้นไปถ้าเราไม่มีผู้รู้วิธีมาสอนมาบอกเราก็จะไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ เมื่อสมัยก่อนในสมัยที่ยังไม่มีการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่มีใครมีความสามารถที่จะดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจต่างๆให้หมดสิ้นไปได้แต่พอมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้แล้วนำเอาวิธีดับความทุกข์มาสอนให้แก่ผู้ที่ปรารถนา ที่จะพ้นทุกข์ที่จะดับความทุกข์พอผู้ปรารถนาได้ยินได้ฟังวิธีจากพระพุทธเจ้าแล้วนําเอาไปปฏิบัติตามความทุกข์ต่างๆก็หายไปหมดกลายเป็นสาวกเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นผู้ที่มาช่วยทําหน้าที่เผยแผ่ วิชาความรู้ในการดับความทุกข์ต่างๆของใจให้แก่ผู้อื่นต่อไปแล้วก็จะมีผู้ที่มาศึกษาต่อจากภาษาวกแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติจนได้เป็นภาษาวกต่อไปเป็นอย่างนี้มากันอย่างตั้งแต่วันเริ่มต้น การประกาศพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาจนถึงปัจจุบันนี้ศาสนาพุทธอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะมีผู้คอยสอนคอยสั่งคอยบอกวิธีของการดับทุกข์ให้แก่ผู้ที่ปรารถนาที่อยากจะพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ศึกษาได้ร่ำเรียน แล้วได้นำเอาไปปฏิบัติพอได้ศึกษาได้ร่ำเรียนได้ปฏิบัติก็สามารถทำใจของตนให้พ้นจากความทุกข์ต่างๆได้หลังจากที่ทำได้สำเร็จแล้วก็ทำหน้าที่เป็นผู้บอกวิธีดับความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปนี่แหละคือวิธีที่เราจะมา รักษาพระพุทธศาสนาและดับความทุกข์ของใจของพวกเราการศึกษาธรรมะแล้วก็นำเอาธรรมะที่ได้ศึกษาไปปฏิบัติไปดับความทุกข์ต่างๆนี่ทำให้เกิดประโยชน์สองชั้นด้วยกันประโยชน์ชั้นแรกก็คือดับความทุกข์ต่างๆของเรา ที่มีอยู่ในใจของผู้ปฏิบัติก่อนพอผู้ปฏิบัติสามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของตนได้หมดแล้วก็สามารถนําเอาวิธีดับความทุกข์นี้ไปสอนให้แก่ผู้อื่นอีกทอดหนึ่งผู้อื่นที่ไม่รู้วิธีดับทุกข์พอมาศึกษาก็สามารถ นำมาวิธีดับทุกข์ไปดับทุกข์ภายในใจของตนได้ก็จะทำให้ยืดอายุ ข, ของพระพุทธศาสนาไปอยู่เรื่อยๆตราบใดที่มีการศึกษามีการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามีการบรรลุผลคือการดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการปฏิบัติ ตราบนั้นศาสนาจะไม่มีวันหมดสิ้นไปจากโลกนี้เหตุที่ศาสนาจะมีวันหมดสิ้นไปจากโลกนี้ก็เพราะไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆของชาวพุทธเราถ้าไม่มีการศึกษาการปฏิบัติการบรรลุ ต่อไปาศาสนาก็จะอยู่ไม่ได้ที่อยู่ก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นาศาสนาเรียกว่าเป็นเปลือกของาศาสนาอะไรคือเปลือกของาศาสนาก็คือถาวรวัตุต่างๆเช่นโบสถ์เจดีศาลาอุปติที่อยู่อาศัย พระพุทธรูปต่างๆมงวัตถุมงคลต่างๆสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นตัวของพระาศาสนาไม่สามารถยังประโยชน์ให้กับผู้ที่ต้องการที่จะดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ถ้าไม่มีการศึกษามีแต่การมาสร้างทาวรรวัตถุต่างๆ ต่อไปศาสนาจะเป็นศาสนาที่มีแต่เปลือกที่ไม่มีประโยชน์กับผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ต่อไปก็จะไม่มีใครสนใจเข้าหาศาสนาเพราะว่าไม่สามารถรับประโยชน์จากศาสนาได้ การสร้างโบสถ์สร้างเจดีสร้างท่าวรรวัตุต่างๆสร้างวัดว า, ารารไม่ได้ทำให้ดุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้อาจจะทำให้ความทุกข์เบาบางลงบ้างทำให้มีความสุขใจบ้างแต่จะไม่ทาให้ความทุกข์หายไปจากใจได้หมดเลย ถ้าเป็นอย่างนั้นต่อไปพระพุทธศาสนาก็จะไม่ได้เป็นที่ดึงดูดใจเหมือนกับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้สาเหตุที่ทําให้ผู้มาหาพระพุทธศาสนาก็คือวิชาความรู้ในการดับความทุกข์ต่างๆนี้เองที่ดึงดูดให้คนที่ไม่ เคยเป็นชาวพุทธมาก่อนหันมาเป็นชาวพุทธหันมาศึกษาหันมาปฏิบัติแล้วก็ทําให้ตอนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุธรรมก็จะไม่มีใครสนใจที่จะไปหา พระพุทธศาสนาเราก็พอจะเห็นได้ในปัจจุบันเมื่อเราเปรียบเทียบกับวัดวาอารามต่างๆวัดไหนที่ไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุธรรมมักจะเป็นเหมือนกับวัดร้างถ้าวัดไหนมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมจะมีผู้ กันมากนีนี่แหละคือเรื่องของความรู้ความสําคัญของความรู้ทางพระพุทธศาสนาหัวใจของพระพุทธศาสนาก็คือความรู้ที่เรียกว่าปัญญานี่เองปัญญาที่จะเอามาใช้ในการกําจัดความโง่เขลาเบาปัญญาคือโมหะอวิชชา มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบสิ่งเหล่านี้จะถูกปัญญาคือสัมมาทิฏฐิวิชาความรู้ที่จะมาดับอวิชชาดับโมหะความหลงดับมิจฉาทิฏฐิให้หมดสิ้นไปจากใจเมื่อสิ่งเหล่านี้หมดสิ้นไปจากใจ ความทุกข์ต่างๆก็จะหมดสิ้นไปจากใจเช่นเดียวกันเพราะโมหะาอาวิชามิจฉาทิฏฐินี้เป็นผู้สร้างความทุกข์ต่างๆให้กับใจนั่นเองเพอมีปัญญามีความรู้ก็สามารถที่จะทำลายโมหะอาวิชามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบต่างๆ ให้หมดสิ้นไปจากใจเมื่อไม่มีโมหะอวิชามิชฉาทิฐิก็จะไม่มีผู้มาสร้างความทุกข์ให้กับใจอีกต่อไปออการเข้าหาพระพุทธศาสนายิงต้องเข้าหาที่ปัญญานี้เองเข้าหาวิชาความรู้ถ้าไปวัดไปเพื่ อ, อ, อไปว่าไปการาบพระพุทธรูป ไปถวายเงินทองเพื่อบำรุงทาวลวัตถุต่างๆนี้ยังถือว่ายังไปไม่ถึงวัดยังไปไม่ถึงพระพุทธศาสนาไปถ้าไปก็ไปถึงที่เปลือกของศาสนาเหมือนเปลือกของผ ล, ลไม้เวลาเรารับประทานผ ล, ลไม้เราไม่รับประทานเปลือกกันเราปอกเปลือกทิ้งไป เ, เราจะได้กินเนื้อของผลไม้ศาสนาก็เหมือนกันศาสนาพูทนี้มีเปลือกและก็มีเนื้อเปลือกของศาสนาก็คือทวารวัตถุต่างๆการทํานุบํารุงทวารวัตถุต่างๆนี่เรียกว่าเป็นการไปหาเปลือกไปกินเปลือกของผลไม้เปลือกของพระพุทธศาสนา การที่จะกินเนื้อของศาสนานี้ต้องไปศึกษาฟังเทศฟังธรรมอย่างที่ท่านทั้งหลายกําลังมาทํากันอยู่ในขณะนี้ท่านกําลังเข้าหาเนื้อของศาสนาพอถึงเนื้อแล้วสิ่งที่ต้องทําต่อไปก็รับประทานเนื้อการรับประทานก็คือนําเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษา ไปปฏิบัตินั่นเองเมื่อเรานำเอาไปปฏิบัติแล้วต่อไปผลคือการดับของความทุกข์ต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาเราก็จะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆต่อไปแล้วเราก็จะได้เป็นผู้ทาหน้าที่สืบทอดพระพุทธศาสนา ให้อยู่กับโลกต่อไปได้อีกช่วงหนึ่งนี่แหละคือประโยชน์ที่เราจะได้รับกันจากการที่เราเข้าหาเนื้อของพระพุทธศาสนาเราจะทำประโยชน์สองอย่างตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสั่งไว้ก่อนที่จะจากพวกเราไปพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าขอให้พวกเธอทั้งหลาย จงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทจงยังประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดก็คือให้เราทำประโยชน์ของเราก่อนประโยชน์ของเราก็คือกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปก่อนพอเมื่อเรากําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปได้แล้ว เราก็จะสามารถเอาไปสอนผู้อื่นได้ต่อแล้วเราก็จะทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อย่างมากมายเราจะสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาให้อยู่ต่อไปได้อีกช่วงหนึ่งนี่คือการทำประโยชน์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งทรงสอนให้พวกเรามาทากันจงยังประโยชน์ของตนและของ ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือให้เราดีบทำกันเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าผัดวันประกันพรุ่งอย่าไปคิดว่าเราจะมีวันข้างหน้าอยู่เรื่อยๆอนาคตนี้ไม่มีใครสามารถที่จะไปทำนายได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นชีวิตของเรา จะยุติลงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้อาจจะเป็นวันนี้สำหรับบางคนบางท่านก็ได้อาจจะเป็นพรุ่งนี้อาจจะเป็นเดือนหน้าอาจจะเป็นปีหน้าอาจจะเป็นอีกสิบปีข้างหน้าหรือยี่สิบปีข้างหน้าก็ไม่มีใครรู้กันดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทขอให้เราคิดเผื่อไว้ว่าอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้ เดินไปอาจจะลื่นหกลม้มศีษาฟาดพื้นตายไปก็ได้รับประทานอาหารสำลักอาหารตายไปก็ได้นอนหลับแล้วไม่ตื่นขึ้นมาก็ได้มีการตายนี่มีตายได้หลายแบบหลายวิธีเพราะฉะนั้นอย่าประมาทอย่าไปคิดว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมัน อาจจะสะดุดขึ้นมาได้ทุกเวลานาทีถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะได้มีความขวนขวายที่จะมาศึกษาหาความรู้จกากพระพุทธศาสนามาสร้างปัญญาทั้งสมระดับให้เกิดขึ้นเราข้ามขั้นไม่ได้การสร้างปัญญาต้องสร้างจากขั้นที่หนึ่งไปสู่ขั้นที่สอง จากขั้นที่สองไปสู่ขั้นที่สามขั้นที่หนึ่งก็คือเมื่อเราไม่รู้จักวิธีดับทุกข์เราก็ต้องไปรับไปเรียนจากผู้ที่รู้วิธีดับทุกข์ก่อนเราก็ต้องไปศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างที่เรามาฟังกันอยู่ในขณะนี้เรากำลังทำปัญญาขั้นที่หนึ่งกันเรียกว่าสุตตมายาปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านอกจากการฟังแนละ้วสมัยนี้เรายังสามารถศึกษาจากสื่อต่างๆได้อีกด้วยสมัยพระพุทธสมัยพระพุทธเจ้านี้มีวิธีเดียวคือการฟังเทศฟังธรรมถึงจะได้ปัญญาแต่สมัยนี้เรามีการพัฒนาเรื่องของการ เก็บความรู้ต่างๆไว้ในสื่อต่างๆเราจึงสามารถที่จะสร้างสุตตมยัปัญญาได้ด้วยวิธีอื่นเช่นเราตอนนี้มีการถ่ายทอดสดผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้หรือถ้าไม่มีเวลาว่างตอนนี้ก็ยังมีการเก็บไว้บันทึกเอาไว้ ฟังในเวลาอื่นได้ถ้าไม่มีเครื่องมือถือไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ยังมีหนังสือต่างๆที่มีการพิมพ์แจกก็นำเอาไปศึกษาไปอ่านได้ออนีแล้วก็ยังมีการบันทึกเสียงออในแผ่นซีดออีให้สามารถเปิดฟังได้อีกด้วยเหล่านี้เรียกว่าเป็นการสร้างสุตตะมยปัญญา คือปัญญาขั้นที่หนึ่งไปรับเอาความรู้จากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้พระองค์ทรงตัดไว้ว่าถึงแม้จะมีมากมายกายกองเหมือนกับน้ำในมาหาสมุทรแต่ความรู้ของพระพุทธศาสนานี้มีรสชาติ รสเดียวเหมือนกับรสชาติของน้ําในมหาสมุทรรสของน้ําในมหาสมุทรก็คือความเค็มไม่ว่าจะไปตักน้ําจากส่วนไหนของมหาสมุทรก็จะมีรสเหมือนกันตักจากประเทศไทยก็เค็มประเทศจีนก็เค็มประเทศญี่ปุ่นก็เค็มเหมือนกันธรรมะทุกบททุกบาทที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ก็ทรงสอนเรื่องเดียวกันทั้งนั้นคือเรื่องของการดับความทุกนี้เองอนี่แหละคือเรื่องของธรรมะคำสั่งคำสอนเวลาเราได้ยินได้ฟังรมเรากำลังเรียนรู้วิธีที่จะนำเอาไปดับความทุกที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปความรู้ที่จะมาดับความทุกได้อย่างถาวร น, นี้คืออะไร ก็คือไตรักนี่เองคือการเห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้นั้นเป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวมีเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดานนี้เป็นความรู้ข้อที่หนึ่งที่เราต้องมาศึกษา มาพิจารณาค่อยควรจนเห็นภาพของความเป็นอนิจจังเช่นอะไรเป็นอนิจจังก็ร่างกายของเรานี่แหละของใกล้ตัวที่สุดของเรานี่ที่เราควรที่จะมาศึกษาให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังอ น, นิจจังคือมันมีการเกิดแล้วมันก็ต่อไปก็มีการแก่ มีการแก่แล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยพอรักษาไม่หายก็มีการตายตามมาเรายังอาจจะมองไม่เห็นร่างกายของเราในทุกสัดทุกส่วนเราก็ดูร่างกายของผู้อื่นแทนดูร่างกายของพ่อแม่ของปู่ย่าตายายที่ในอดีตก็เหมือนเราตอนที่เกิดมาใหม่ๆก็เหมือนเรา แล้วพอเจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาก็เหมือนเราที่เป็นอยู่ขณะ น, นี้แต่เขาอยู่มานานกว่าเราร่างกายเขาก็เลยมีอายุมากกว่าเราก็มีความแก่มากกว่าเรานีร่างกายของเราต่อไปก็จะเป็นเหมือนร่างกายของพ่อแม่ของปู่ย่าตายายที่จะต้องแก่จะต้องเจ็บ แล้วต้องตายไปในที่สุดนี่คือความจริงที่เราต้องศึกษาคืออนิจจ์ร่างกายนี้เป็นเพียงตัวอย่างของอนิจจงทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาสัมผัสรับรู้หรือมาครอบครองเป็นสมบัติของเรานี้ก็เป็นอนิจจงทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองอะไรต่างๆที่เรามีอยู่ที่เราหามาได้ ตำแหน่งยศอะไรต่างๆรางวัลอะไรต่างๆความสุขต่างๆที่เราได้จากการไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆล้วนเป็นของชั่วคราวดังนั้นได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปเวลาหมดอะไรเกิดขึ้นตามมาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมา เวลาเราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปบุคคลที่เรารักไปเรามาร้องห่มร้องไห้กันนี่คือข้อที่สองสิ่งต่างๆในโลกนี้เนื่องจากที่มันไม่เที่ยงมันเลยทำให้เราทุกข์กันถ้ามันเที่ยงมันก็ไม่ทำให้เราทุกข์ถ้าเราไม่มีการจากกันเราก็ไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้กันถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ไม่ตายจากพวกเราไปเราก็ไม่ต้องร้องห่มร้องไห้กันที่เราร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจทุกข์ใจกันก็เพราะว่ามีเขาจะต้องจากเราไปเขาได้จากเราไปแล้วนี่เรียกว่าอานิจจังทุกขังอนิจจังคือไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงหมดถ้าเวลาเขาจากเราไป ก็จะทําให้เราทุกข์ใจกันแล้วก็มาสู่ความจริงข้อที่สามคืออนัตตาแปลว่าไม่ใช่ของเราหรือไม่ได้อยู่ในการควบคุมบังคับของเรานั่นเองเราไม่สามารถบังคับควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่กับเราไปได้ตลอดเวลาแม้แต่ร่างกายของเราเราก็ควบคุมบังคับ ให้มันอยู่กับเราไปไม่ได้ตลอดไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งมันก็จะจากเราไปเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่ได้อยู่ภายใตย้าตาการควบคุมของเราเราคือใครเราคือใจผู้รู้ผู้คิดผู้ที่ได้มาครอบครองร่างกายเป็นสมบัติิ้นแรก แล้วเราก็ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาสมบัติชิ้นต่อไปมาเป็นสมบัติของเราแต่เราไม่รู้ว่าสมบัติต่างๆที่เราหามาได้นี้เป็นสมบัติชั่วเก่ากันเพราะเราไม่มีปัญญาเราเลยต้องมาทุกข์ร้องห่มร้องไห้กันเวลาที่เราสูญเสียทรัพสมบัติต่างๆที่เราได้มาไปนั่นเอง ถ้าเราได้เรียนรู้ตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กเนะีตั้งแต่เรียนป .1 น, นี่ถ้าสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาให้กับเด็กได้เด็กอาจจะไม่ต้องร้องห่มร้องไห้กันไม่ต้องมาทุกข์กันพอจะรู้จะเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความจริงไว้ล่วงหน้านั้นเองความรู้นี่เป็นเหมือนการฉีดวัคซีนนะเวลาเราฉีดวัคซีนนี่ฉีดเพื่ออะไร เพื่อป้องกันโรคที่จะเข้ามาในร่างกายเราเชื้อโรคที่จะเข้ามาร่างกายเพื่อมาทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยพอเราฉีดวัคซีนเราก็สร้างภูมิคุ้มกันเชื้อโรคขึ้นมาพอเชื้อโรคบุกเข้ามาในร่างกายภูมิคุ้มกันของร่างกายก็จะทำลายเชื้อโรคที่จะเข้ามาสร้างความเจ็บไข้ได้ป่วยให้กับร่างกาย ร่างกายก็เลยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยสำหรับคนที่ได้ฉีดวัคซีนมีภูมิคุ้มกันสำหรับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนจะไม่มีภูมิคุ้มกันพอมีเชื้อโรคระบาดก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและอาจจะล้มตายไปก็ได้เนี่ยปัญญาความรู้ที่เรามาศึกษาจากพระพุทธศาสนานี่ก็เป็นเหมือนวัคซีนที่เรามาฉีดกัน ถ้าเราฉีดปัญญาเข้าไปในใจเราฉีดใตรักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปในใจเราต่อไปใจเราก็จะมีภูมิคุ้มกันเวลาเจออนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่เศร้าโศกเสียใจเวลาสูญเสียใครไปก็ไม่เดือดร้อนเสียอะไรไปก็ไม่เดือดร้อน เวลาผิดหวังเวลาไม่ได้สิ่งที่อยากได้ก็ไม่ไม่เดือดร้อนเนะพราะมีภูมิคุ้มกันนะทําให้ใจไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของสภาวธรรมทั้งหลายได้เนะีนะ่ยการมาศึกษาธรรมตอนนี้ก็เป็นการมารับวัคซีนไปฉีดนะยังไม่ได้ฉีดเพียงแต่รับไปพู้ ผู้รับไปต้องฉีดเองวิธีฉีดก็คือการไปสู่ปัญญาระดับที่สองคือจินตามยปัญญาวันนี้เราได้รับวัคซีนคือไตลักไปแล้วอันนี้จังทุกขังอนัตตาแล้วแต่เรายังอาจจะไม่เข้าใจความหมายอย่างกว้างขวางอย่างลึกซึ้งโดยอย่างต่อเนื่องเราตอนนี้ฟังเราเข้าใจแต่พอเรา หยุดฟังเราไปทำงานอย่างอื่นไปคิดเรื่องอื่นอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่รู้หายไปไหนหมดเพราะว่าถูกเรื่องอื่นมากลบไปหมดเวลาเราคิดเนี่ยแต่ละครั้งที่เราคิดเรื่องใหม่มันก็จะมากรบเรื่องเก่าเรื่องเก่าที่เคยอยู่ข้างบนก็จะถูกเรื่องใหม่มามากลบไว้มาทับไว้ เรื่องเก่าก็เลยกลายเป็นเรื่องอดีตไปกลายเป็นความจำไปซึ่งถ้านานเขาก็จำไม่ได้ลืมไปการที่เราจะทำให้เรื่องเก่านี้มาเป็นเรื่องใหม่เราก็ต้องยกมันขึ้นมาคิดอยู่เรื่อยๆไม่ให้มันถูกเรื่องใหม่คือเรื่องที่เราไปคิดไปทำงานทำการไปทำธุระอะไรต่างๆมากบัญญาที่เราได้จากการมาฟังเทศฟังธรรม อันนี้แหละเรียกว่าเป็นการฉีดวัคซีนเข้าไปในใจของเราคือเมื่อรับธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้แล้วคือปัญญาปัญญาที่เราได้รับวันนี้คืออะไรก็คือไตรลักษณ์สัพเพธรรมะสะัพธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ให้จำไว้ให้ดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ที่เราคิดว่าเป็นของเรานี้ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของเราเชื่อขณะที่มีลมหายใจอยู่พอหมดลมหายใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ได้เป็นของเราอีกต่อไปร่างกายของเราก็เป็นของสับปเปลือไปทรัพย์สมบัติเก่าของเงินทองก็เป็นของคนอื่นไปนะคร ถ้าคิดอย่างนี้เตรียมตัวเตรียมใจสอนไว้อยู่เรื่อยๆถ้าไม่คิดเดี๋ยวลืมเพราะเราต้องคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวออกไปนี่เดี๋ยวก็ต้องไปคุยกันลนะพอคุยกันก็คุยเรื่องอื่นนะไม่ได้คุยเรื่องอันนี้จังทุกขงกังอนัตตากันเดี๋ยวไปกินที่ไหนดีไปเที่ยวที่ไหนดีไปดูอะไรดีไปฟังอะไรดีไปทําอะไรดีนแล้วพอไปทําก็ต้องคิดถึงเรื่องที่เรากําลังทํากันอยู่ ไอเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังตอนนี้ก็จะถูกเรื่องใหม่มากบเอาไว้มาทับเอาไว้กลายเป็นความจําแล้วที่เราพอไม่คิดถึงมันเราก็จะลืมไปเลยแล้วพอเราไปเจออานิจังขึ้นมาก็ร้องห่มร้องไห้กันเพราะว่าเราลืมอานิจังไปแต่ถ้าเราไม่ลืมอานิจังเราคิดกันอยู่เรื่อยๆคิดอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกได้ยิ่งดี มันจะเป็นของปัจจุบันของใหม่ตลอดเวลาไม่มากจะมีเรื่องอะไรมาทับพอมันทับปุ๊บเราก็เอามันกลับขึ้นมาข้างบนใหม่พอคิดถึงคนนั้นคิดถึงเรื่องนี้เสร็จก็คิดถึงอนนี้จังใหม่ต้องคิดถึงอนนี้จังทุกครั้งอนัตตาอยู่เรื่อยๆ อ, อย่างนี้เจ้งเรียกว่าเป็นจินตาไมายะปัญญาเป็นปัญญาระดับที่สอง ถึงแม้ว่าเราจะมีอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่พอเจออนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆเราก็ยังทำใจไม่ได้ยังเสียใจยังร้องห่มร้องไห้ยังทุกข์ใจอยู่เพราะว่าปัญญาระดับที่สองระที่หนึ่งนี้ไม่มีกำลังที่จะมาทำใจให้สงบทำใจให้ไม่วุ่นวายไปกับอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเอง เราจึงต้องไปทำขั้นที่สามคือต้องไปฝึกจิตไปทำจิตให้สงบให้ได้เรียกว่าไปทำสมถะภาวนานะการทำสมถะภาวนานี้เป็นการหยุดจิตหยุดความอยากต่างๆหยุดความคิดต่างๆทำให้จิตสงบมีความสุขมีความอิ่มมีความพอมีอุเบกขานะ พอจิตมีความอิ่มมีความสุขมีอุเบกขาในตัวจิตก็จะปล่อยวางสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้พอไปเจอสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเฉยได้ไม่ทุกข์กับมันอันนี้เป็นขั้นที่สามเรียกว่าภาวนามายปัญญาคือมีความรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา แล้วก็มีสมถภาวนามาสนับสนุนความรู้ น, นี้ให้ปล่อยวางได้ให้ปลงได้ให้เฉยได้กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามเห็นคนอื่นตายก็เฉยคิดถึงความตายของเราก็เฉยเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็เฉยไม่เดือดร้อน รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ปล่อยมันไปถ้ามันจะตายก็ให้มันตายไปถ้ามีปัญญาระดับที่สก็จะไม่ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับการปรากฏขึ้นของอนิจออนตตนจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเหลือแต่แค่อนิจจังกับอนัตตา แต่จะไม่มีทุกขังสำหรับผู้ที่มีภาวนามยับปัญญาคือมีความรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็มีอุเบกขาที่เกิดจากสมถะภาวนาปัญญาขั้นที่สามจึงมีชื่อว่าภาวนามยับปัญญาคือปัญญาที่ประกอบด้วยสมถะภาวนา คือประกอบด้วยอุเบกขาความสงบของใจความปล่อยวางของใจนี่ใจจะปล่อยวางอะไรได้ต้องสงบต้องอยู่ในอุเบกขาถึงจะปล่อยได้ถ้าออกจากอุเบกขามาแล้วจะเกิดความลักชังโกหลงขึ้นมาพ อ, อกเกิดความลักชังก็จะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมา พอ เ, เกิดความอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานะนี่คือกระบวนการของการสร้างความทุกข์ใจสร้างเกิดจากความไม่มีอุเบกขาเกิดจากการมีความรักช่างกลัวหลงในสภาวะธรรมต่างๆพอเห็นอะไรรักก็อยากได้พอไม่ได้ก็เสียใจทุกข์ใจ พอเจอสภาวะที่ชังไม่ชอบก็อยากจะให้มันหายไปพอมันไม่หายไปก็ทุกข์ใจเห็นเหตุการณ์ที่จะมาทำให้ร่างกายเราเจ็บหรือตายก็เกิดความกลัวขึ้นมาพอเจอก็เกิดความกลัวขึ้นมาก็ทุกข์ร้อใจอยากไม่ตายอยากไม่เจ็บนั่นเองพอเจอความหลงก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ แทนที่จะหนีมันกลับไปข้อหามันไม่รู้ว่ามันเป็นไผ่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือความหลงไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพบปะรับรู้นี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราไปรักไปชอบไปกลัวนี่แสดงว่าเรามีความหลงแล้วแต่ถ้าเวลาเรามาทําสมถะภาวนามานั่งสมาธิมาทําใจให้สงบ ใจจะเป็นอุเบกขาขึ้นมาความรักชังกลัวหลงจะหายไปถ้าเรานั่งไปนานๆ น, น, นั่งไปบ่อยๆเราจะสามารถมีอุเบกขาได้แม้เวลาที่เราออกจากสมาธิมาใหม่ๆอุเบกขานี่ยจะเป็นเหมือนความเย็นของน้ำเนี่ยน้ำที่เราแช่ในตู้เย็นเนี่ยถ้าเราแช่นานๆจนน้ำมันเป็นน้าแข็งเนี่ย เวลาออกมาจากตู้นี่มันจะเย็นไปนานถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในตู้เย็นมันก็ยังเย็นไปอุเบกขาก็แบบเดียวกันถ้าเราเอาจิตเข้าในสมาธิบ่อยๆนานๆจิตจะเป็นอุเบกขามากเวลาออกมาจากสมาธิมันก็ยังเป็ น, ปนอุเบกขาอยู่เวลามันเห็นอะไรสัมผัสรับรู้อะไรมันจะเฉย ความรักชังกลัวหลงนี้จะไม่เกิดขึ้นมามันจะทำให้มีกำลังถ้าเกิดมีอะไรมาหลอกให้ไปรักชังกลัวหลงก็อาศัยปัญญาที่เราได้เรียนมาจากผู้รู้ที่เราได้สร้างมาเป็นจินตามายปัญญาคือปัญญาที่ไม่หลงไม่ลืม สุดตามยะปัญญานี่ลืมได้พอฟังเสร็จปั๊บเดียวเดี๋ยวสักชั่วโมงก็ลืมไปลนะแต่ถ้าเอามาเจริญต่อให้เป็นจินตาไมยะปัญญามันก็จะไม่ลืมมันจะจำได้ว่าวันนี้ได้รับปัญญามาจากการฟังเทศฟังธรรมคืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราต้องปล่อยวางเราอย่าไปรักไปชังไปกลัวไปหลงกับสิ่งต่างๆเพราะมันจะทำให้เราทุกข์กับมันอันนี้พอเรามีจินตามิยะปัญญาแล้วเรามีโอเบขาเวลาเราเจออนิจจังทุกขังอนัตตามันจะเป็นอนิจจังกับอนัตตามันจะไม่ทุกข์เพราะว่าใจเราไม่ไป มีความลักชังกลัวหลงกับสิ่งที่เราไปสัมผัสรับรู้ใจเราปล่อยวางไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันไม่ไปอยากให้มันดีอยากให้มันอยู่ไปนานๆหรืออยากให้มันหายไปใจของเราก็จะดับความทุกข์ต่างๆได้นี่คือกระบวนการในการสร้างปัญญาทางพระพุทธศาสนาต้องสร้างเป็นขั้นตอน เราจะไปสร้างขั้นที่สองโดยที่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ผ่านขั้นที่หนึ่งไม่ได้เพราะอะไรเพราะความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ไม่มีใครในโลกนี้จะสามารถรู้ได้ด้วยตนเองต่อให้ฉลาดเป็นระดับระดับปริญญาเอกจบจากมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกได้รับรางวัล การศึกษาดีเด่นต่างๆก็จะไม่รู้เรื่องอนิจจงทุกขังอนัตตาถ้ารู้ก็รู้เพียงเรื่องของอนิจจงอนิจจงนี่เห็นได้กันทุกคนพวกเราทุกคนก็เห็นอนิจจงกันแต่เรื่องอนัตตานี่ไม่มีใครมองเห็นกันทุกคนมองเห็นอะไรแล้วก็จะเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราหรือเป็นของคนนั้นของคนนี้มีตัวตนทั้งนั้น ถ้าความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นส่วนประกอบของดินน้ำลมไฟทามาจากดินน้ำลมไฟรวมตัวกันก็ปรากฏให้เป็นต้นไม้ภูเขาใบหญ้าเป็นน้ำเป็นทะเลเป็นอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็มีการหมดไปอันนี้ถ้าไม่ได้ พบกับพระพุทธศาสนานี้เราจะไม่ได้เรียนรู้เรื่องของอนัตตาเราจะมีความรู้เพียงเสี้ยวเดียวคืออนิจจังครึ่งเดียวแต่เราจะไม่เห็นอนัตตาเมื่อเราไม่เห็นอนัตตาเราก็จะปล่อยวางอนิจจังไม่ได้เพราะเราจะคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเราเช่นร่างกายนี้เราจะคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราพอมันเป็นอนิจจังเราเฉยไม่ได้ ปล่อยให้มันเป็นอนิจจังไม่ได้เรายังเราต้องพยายามทําให้มันเป็นนิจจังเห็นไหมพอผมเริ่มงอกปั๊บก็อย่าย้อมผมก็โผล่ขึ้นมาแนละ้วพอหนังเหี่ยวแป้งเอ่ยอะไรเอ่ยก็โผล่ขึ้นมานะนี่เป็นกระบวนการรักษาความเป็นอนิความเป็นนิจจังไม่ต้องการให้มันเป็นอนิจจัง ทำยังไงก็สู้มันไม่ได้สู้นิจจังไม่ได้เดี๋ยวนายที่สุดก็ยอมแพ้เพราะยิ่งไปแก้ยิ่งไปทําให้เกิดปัญหามากขึ้นใหญ่ไปย้อมผมบ่อยๆเดี๋ยวก็เป็นมะเร็งผิวหนังอีกเกิดจากสารของยาย้อมผมที่ไปทําให้เกิดโรคมะเร็งที่ผิวหนังขึ้นมาอีกก็ได้ก็เลยต้องหยุดย้อมอยู่ดีในที่สุด ต้องยอมรับความจริงเท่านั้นต้องทําใจเป็นอุเบกขาปล่อยวางถึงจะแก้ปัญหาได้ถึงจะไม่ทุกข์ถ้าจะไปแก้มันแก้ไม่มีวันจบหรอกทำย้อมวันนี้เดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งก็ต้องย้อมใหม่แล้วผมใหม่มันงอกขึ้นมามันไม่มันมันไม่งอกออกมาดําเหมือนผมที่เราย้อมเนี่ยมันก็ขาวเองมันก็เลยทําให้ศีรษะมีผมสองสีก็ต้องคอยย้อมอยู่เรื่อยๆ หนังก็เหี่ยวอยู่เรื่อยๆต่อให้ไปดึงมันกี่ครั้งกี่คราวเดี๋ยมันก็เหี่ยวของมันไปเรื่อยๆนี่เพราะว่าไม่เห็นอ น, นิจจังไม่เห็นอนัตตาไม่เห็นว่าเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้อย่าไปควบคุมบังคับมันเลยเหนื่อยไปเปล่าๆแล้วทุกข์ไปเปล่าๆเพราะเวลาทำแล้วไม่ได้ดังใจก็จะทุกข์จะไม่สบายใจนี่เป็นเพราะว่า คิดเองไม่ได้เรื่องอนัตตานี้ไม่มีใครคิดเองได้ความรู้เกี่ยวกับอนัตตานี้มาจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวพระพุทธเจ้าเป็นคนมนุษย์ที่ฉลาดที่สุดในโลกฉลาดกว่ามนุษย์ที่ฉลาดที่สุดของในโลกนี้หลายระดับด้วยกันเปรียบเทียบกันไม่ได้ความฉลาดของพระพุทธเจ้ากับความฉลาดของนักปราชญ์ทั้งหลายที่มีในโลกนี้ ถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนความฉลาดของผู้ใหญ่กับเด็กนี่เองเด็กมันจะฉลาดกว่าผู้ใหญ่ได้ยังไงผู้ใหญ่นี่ฉลาดกว่าเด็กเนี่ยอาจารย์นี่ฉลาดกว่าลูกศิษย์ทันใดความรู้ความฉลาดของนักปราชญ์อันดับหนึ่งของโลกนี้ก็เป็นเหมือนระดับลูกศิษย์ลูกหาญความรู้ความฉลาดระดับของพระพุทธเจ้านี่ระดับครูบาอาจารย์ระดับปรม า, าจารย์ เอนัตตานี้ไม่มีใครค้นพบไม่มีใครรู้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ส่งคนพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากเป็นอนิจจังแล้วมันเป็นอนัตต์ด้วยพอเห็นว่าเป็นอนัตต์มันก็จะได้ยอมรับอนิจจังว่าเราไปเปลี่ยนอนิจจังไม่ได้อนิจจังมันต้องเป็นอนิจจังไปทําให้มันเป็นนิจนนนจังให้มันถาวรไม่ได้ พอมันเป็นอนัตตามันไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่จะไปเปลี่ยนมันได้เมื่อเปลี่ยนไม่ได้ก็อย่าไปเปลี่ยนมันเท่านั้นเองง่ายจะตายไปก็ปล่อยมันเท่านั้นเองปล่อยมันแก่ปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายไปแต่เราไปยึดติดกับความคิดว่ามันเป็นเราพออะไรเป็นเราเราก็เลยไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดี เราอยากจะถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเราไม่ว่าเด <c oughs> ี่ยเรามีอคติเรามีความรัก <c oughs> สิ่งที่เรารักถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเราชอบเนะแต่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีเราจะเกลียดขึ้นมานทันทีเราจะชังแล้วเราพยายามที่จะเปลี่ยนมันเปลี่ยนยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอนัตตาเนี่ยนี้พระพุทธเจ้าทรงคนพบว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ กับสิ่งต่างๆที่เป็นเราเป็นของเรานี้อย่าไปเปลี่ยนมันเถิดไปมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันมันมีขบวนการของมันอมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเป็นร่างกายถ้าเป็นของต่างๆได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเก่าเก่าไปแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ต้องพังใช้ไม่ได้เนี่อย่าไปอย่าไปวุ่นวายเดือดร้อนกับ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆดูแลเท่าที่เราจะดูแลได้ถ้าดูแลไม่ได้ก็ปล่อยมันไปอันนี้เรียกว่าจินตามยะปัญญาตอนต้นไปเรียนจากสุตตะมยะปัญญาเรียนจากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ก่อนถ้าครูบาอาจารย์รูปไหนไม่สอนอนิจังทุกขังอนัตตาให้แก่ลูกศิษย์ น, นี้ถือว่าสอนไม่ครบวิชาต้องสอนอ น, อนิจังทุกขังอนัตตา เพราะนี่หลคือแก่นหัวใจของการดับความทุกข์ต่างๆแก่นของปัญญาอยู่ที่อนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไปสอนเรื่องทําบุญทำทานนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงแก่นยังอยู่แค่เปลือกสมาธิก็ยังไม่ถึงแก่นต้องถึงขั้นปัญญาถึงจะถึงแก่นถ้ามาเป็นชาวพุทธแล้วไม่รู้จักคําว่านิจจังทุกขังอนัตตานี่ ก็ยังไม่ถือว่าเป็นพุทธะยังเป็นพุทธเทียมหรือยังเป็นพุทธที่กำลังพัฒนาจากพุทธเทียมไปสู่พุทธแท้ต่อไปถ้าเป็นพุทธแท้แล้วจะต้องรู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาจะต้องรู้จกัจ ก, ออาาจกจินตามย์ปปัญญารู้จักสุตตามยยปัญญารู้จกัญญจกภาวนามยยปปัญญาแล้วจะรู้ว่าตอนนี้ตนเองอยู่ในระดับไหนด้วยถึงจะเรียกว่าเป็นพุทธแท้ ตอนนี้พวกเราตอนนี้กำลังอยู่ในสุตตะมยปัญญากันเรารักษาสุตะมยปัญญาให้เป็นจินตามยปัญญาได้หรือเปล่าเรารับธรรมะไปแล้วเรารักษาให้มันอยู่ในใจของเราไม่ให้หลงไม่ให้ลืมได้หรือเปล่าพอเห็นอะไรเรานึกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาทันทีได้หรือเปล่าเรายังคิดว่าเป็นนิจจังสุขขังอนัตตาอยู่อันนี้คือ ข้อทดสอบของเราข้อวัดการปฏิบัติของเราข้อวัดความเป็นชาวพุทธของเราว่าเราเป็นพุทธแท้หรือพุทธเทียมถ้าพุทธแท้ก็ต้องฟังเทศฟังธรรมอยู่บ่อยๆเพราะเป็นการทบทวนอยู่เรื่อยๆบางทีฟังแล้วหลงลืมไม่ได้เอาไปทำให้เป็นจินตาเขาต้องกลับมาทบทวนมาฟังใหม่ แต่ถ้าเราฟังแล้วเราเอาไปทบทวนไปพิจารณาอยู่เนืองๆจนไม่หลงไม่เลิมทีนี้เราไม่ต้องกลับมาที่สุตตะแล้วเราไปที่ระดับที่สามต่อไปก็คือไปภาวนากันไปภาวนาไปทำใจให้สงบเพื่อเราจะได้เอาจินตามยปัญญานี้มาใช้ในการดับความทุกข์ประกอบด้วยสมถภาวนาคือประกอบด้วยอุเบกขา การไปทําสมถะภาวานาก็เพื่อไปเอาอุเบกขาขึ้นมาที่ถูกโมหะวิชากิเลสตัณหากดเอาไว้นั่นเองพอเราทําใจให้สงบโมหะวิชาที่คอยกดอุเบกขาก็หมดแรงพอหมดแรงอุเบกขาที่มีอยู่ในใจของเราก็จะโผล่ขึ้นมาจะทําให้ใจของเราวางเฉยได้ปล่อยวางได้เวลาเสียอะไรก็ไม่เสียใจ เวลาได้อะไรมาก็ไม่ดีใจเพราะไม่มีความรักความชังกับสิ่งต่างๆที่ได้มารึ้เสียไปใจก็จะไม่ทุกเวลาที่มาสัมผัสกับอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้แหละเป็นขั้นที่สมถ้าเราอยู่ขั้นที่สามแล้วนี่ถือว่าเราเป็นพุทธท้เพราะเราจะเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้อาศัยภาวนามยปัญญา หมายถึงระดับของพระอริยบุคคลทุกระดับนี้ต้องใช้ปัญญาระดับภาวนามาย์ปัญญาเท่านั้นถึงจะสามารถตัดกิเลสตัดสังโยชน์ตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้พระโสดาบันก็มีภาวนาเมาย์ปัญญาระดับร่างกายและเวทนารู้ว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารือว่าเวทนาคือความเจ็บ ความปวดของร่างกายก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทําอะไรมันไม่ได้มันโผล่ขึ้นมาทําได้อย่างเดียวก็คือทําใจปล่อยวางถ้าไม่มีอุเบกขาก็ปล่อยวางไม่ได้ถ้าเป็นจินตามยาปัญญาเป็นสุตตามยาปัญญาก็ปล่อยไม่ได้เพราะไม่มีอุเบกขาแต่พอบาภาวนาส ม, มถภ า, าวนาทําให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาภายในใจ พอไปเจออนิจจังของร่างกายของเวทนาเจออนัตตาก็จะก็จะรู้ว่ามันเป็นอนัตตาต้องปล่อยวางทําอะไรไม่ได้ไปอยากเรายิ่งไปเพิ่มความทุกข์ให้มากขึ้นอยากให้มันเป็นนิจจังมันจะทุกข์มากขึ้นเพราะมันจะไม่ได้ดังใจอยากให้เวทนาความเจ็บหายไป มันก็จะทาให้ความทุกข์ใจเพิ่มมากขึ้นเพราะมันจะไม่หายไปด้วยความอยากของเราแต่ใจของเราจะไม่ทุกเลยถ้าเราทำใจเป็นอุบเบกขาปล่อยวางมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเท่านี้เองที่เราต้องการมาปฏิบัติกันมาปฏิบัติเพื่อให้เห็นตายลักของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วก็มาสร้างอุบเบกขา เพื่อทำใจให้สงบให้จิให้ปล่อยวางไม่ให้รักชังกลัวหลงกับสิ่งต่างๆเว่าไม่มีอะไรในโลกนี้น่ารักน่าชังน่ากลัวน่าหลงแต่อย่างใดเขาเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของเขาเป็นปกติของเขาทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นของเขาเป็นธรรมดาร่างกายมีเกิดแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องมีตายไปเป็นธรรมดาเราไปกลัวเองเราไปหลงไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเราเลย ไม่อยากให้มันตายเราก็เลยไปกลัวความตายแต่ร่างกายคนอื่นเรากลัวไหมคนอื่นตายเรากลัวไหมเราเฉยใช่ไหมทำไมเราเฉยได้กับร่างกายคนอื่นทำไมเราเฉยกับร่างกายของเราไม่ได้ <S <S ก็เพราะว่าเราไปถือว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเท่านั้นเองถ้าเรามาถือว่ามันเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นเราก็จะเฉยได้ ร่างกายของคนอื่นตายเราเฉยได้ร่างกายของเราเราก็เฉยได้เพราะเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเรานี่แหละคือปัญญาเราต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เนืองๆให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ไม่ได้เป็นตัวเราไม่ได้เป็นของเราเป็นมาจากธรรมชาติทั้งนั้นมาจากดินน้ำลมไฟแล้ว เ, เดี๋ยวก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไป นนี่คือการมาสร้างปัญญาในระดับต่างๆต้องสร้างจากขั้นต้นคือสุตตะมัยยปัญญาฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมจากผู้มีปัญญาคือพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคำสอนหรือพระอริยสงสาวุกทั้งหลายท่านจะสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เราฟังให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามา สัมผัสมาครอบครองมาถือว่าเป็นเรานี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากให้มันเที่ยงมันไม่เที่ยงอยากไปอยากอยากแล้วจะทำให้เราทุกข์ดูแลมันไปตามอัตภาพได้แต่ถ้าดูแลไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปแล้วเราจะไม่ทุกข์ถ้าเรารู้แล้วเรายังทุกข์ยังปล่อยไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังขาดอุเบกขา เราก็ต้องมาสร้างอูเบคามาฝึกสติมานั่งสมาธิทาใจให้สงบหัดท่องพุทโธกันพุทโธนี่แหละเป็นตัวที่จะทำให้ใจสงบเป็นอูเบคาได้อย่าเห็นว่าคำว่าพุทโธคำเดียวมันสามารถทำอะไรอย่างวิเศษได้เลยอย่าไปประมาทคำว่าพุทโธเป็นอนันขาด พุทโธนี่แหละทําให้เกิดพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเป็นจํานวนมากนะนับตั้งแต่หลวงปู่มั่นมานี่ท่านก็ใช้พุทโธพุทโธในการเจริญสติพอมีพุทโธพุทโธก็จะหยุดความคิดได้พอหยุดความคิดได้จิตก็จะสงบพอจิตสงบอุเบกขาก็จะปรากฏขึ้นมาความสุขใจก็จะปรากฏขึ้นมาทําให้ ไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่เป็นอนิจจ uh ัง UH ทุกขังอนัตตาก็ปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เพราะจิตมีความสุขในตัวของตัวเองแล้วไม่ต้องไปเพิ่งความสุขจากสิ่งต่างๆที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้พอปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ ความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการมีการไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆก็จะหมดไปจิตก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเกิดจากการที่มาสร้างปัญญาทั้งสามระดับนี้ขั้นที่หนึ่งคือสุตมายาปัญญาศึกษาจากผู้อื่นฟังเทศฟังธรรมจากผู้อื่นจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็นำเอาไปเจริญเอาไปรักษาไม่ให้มันหายไป ไปพิจารณาจนเกิดความเข้าใจถ้ามันเข้าใจแล้วมันจะลืมยากถ้ามันไม่เข้าใจนี่เดี๋ยวมันจะลืมแต่ถ้าเรามานั่งคิดมาเปรียบเทียบมาดูนึกภาพต่างๆของความเป็นอนิจจังอยู่เรื่อยๆต่อไปมันจะเห็นภาพมันจะจำได้แล้วพอเราจำได้แล้วทีนี้เราก็ไปสร้างอุบเบกขาขึ้นมาเพราะถึงแม้จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่มีอุบเบกขาก็ยังไม่สามารถที่จะ ปล่อยวางได้ไม่สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ได้เวลาเจ อ, อนิจังทุกขังอนัตตาแต่พอเราไปหัดภาวนาสมถภ า, าวนาทำใจให้สงบได้อุเบกขาได้ความสุขใจแล้วเราก็ไม่ต้องอาศัยความสุขจากที่อื่นอีกต่อไปอยู่กับความสุขใจดีกว่าเพราะเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วเราก็ บ่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ได้เราก็จะไม่ทุกข์กับอนิจจังทุกขังอนัตตากันอีกต่อไปแต่นี่คือประโยชน์ที่จะเกิดจากการที่เรามาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมกันบ่อยๆกันอย่างต่อเนื่องศึกษาแล้วก็เอาไปต่อยอดไปทาให้เป็นกินตามยปัญญา เป็นความรู้ที่ไม่หลงไม่ลืมที่เข้าเข้าใจความหมายของความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วก็นําเอาไปดับกิเลสด้วยการไปภาวนาไปเจริญสมถะภาวนาให้เกิดอุเบกขาเกิดความสุขใจเ่อมีความสุขใจมีอุเบกขาก็จะปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เราเคยยึดเคยอาศัยให้ความสุขกับเราได้ พอเราเห็นว่ารู้ว่าต่อไปมันจะต้องให้ความทุกข์กับเราเพราะมันจะต้องสิ้นสุดลงนั่นเองเราก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับอุเบกขาอยู่กับความสงบของใจที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 จันโทปนะหราโสยะามณีโชติหราโสยะาสัพพิติโยริวาจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีคาโยโกภวะ อะพิวาทานสีลิตสานิจังวุธาปจายโนยัตาารธรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวก็หลังจากเลิกแล้วจะของดถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่คะทางเฟ e b o o ก460ท่านทาง y o u ู u b e 309ท่าน วิ t ิ y ออ o นไลน์13ท่านรับฟังบนเขา124ท่านรวมทั้งหมด901ท่านค่ะวันนี้เฟ e บุ๊ k เยอะนะอง400กว่าธรรมดามันแค่200กว่าถ้าวันเสาร์อาทิตย์เป็นเพราะสัญญาณดีหรือเปล่าไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีขาดตอนน้งตอนนี้เดี๋ยวนี้มีบ้างนีน่โอเค okay. ถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยคำถามจากคุณวิจัยค่ะ กราบเรียนถามหลวงพ่อว่าถ้าผมหยิบเอาเรื่องในอดีตมาพิจารณาตรึกในธรรมจะถือว่าเป็นการอยู่กับปัจจุบันได้ไหมครับเพื่อเกื้อกูลสมาธิอบรมปัญญาครับก็ขึ้นอยู่กับเรื่องในอดีตมันเป็นเรื่องอะไรพิจารณาให้มันเห็นเป็นตายลักก็ก็ได้ถ้ามันเป็นอดีตล้ำ ถ้าเป็นตายละกก็ไม่รู้จะยกมันขึ้นมาทำไมมันผ่านไปแล้วนอกจากว่าเอามาสอนเป็นบทเรียนว่าได้ทำอะไรผิดพลาดไปแล้วก็พยายามที่จะไม่ทำมันอีกต่อไปแต่ส่วนใหญ่เราจะพิจารณาสิ่งที่เป็นปัจจุบันสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากกว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างในอนาคตมันจะต้องมีการดับไปเป็นธรรมดา ต้องพยายามพิจารณาล่วงหน้าไว้ก่อนพอเวลามันดับเราจะได้ไม่ทุกข์แต่อดีตมันผ่านไปแล้วมันไม่มีผลกระทบต่อเราแล้วเราไม่ต้องไปเอาอดีตมาคิดให้เสียเวลายกเว้นว่าเป็นการมาเรียนรู้จากอดีตเพื่อมาเป็นบทเรียนสอนใจ คำถามจากคุณแพนด้าค่ะมีเพื่อนร่วมงานชวนให้ไปรับขันห้าเขาบอกว่าเรามีองค์ปกปักรักษาควรไปรับขันให้ถูกต้องไม่งั้นเราจะทำงานติดขัดชีวิตติดขัดไม่ราบลื่นอย่างนี้ควรไปไหมคะมันเป็นเรื่องของไสยศาสตร์เป็นเรื่องของโมหะอวิชชาไปก็หลงเท่านั้นเนม่รับขันห้าที่ไหนขันห้าก็มีอยู่ในตัวแล้ว พ่อแม่ให้มาตั้งแต่วันเกิดแล้ว<ม>จะไปรับอะไร<ม>ถ้าจะไปรับไปคนจะไปรับสติปัญญาความรู้เ<ม>ยิ่งไปโรงเรียนไปเรียนจบปริญญาตีโทเอกดีกว่าได้ท<ม>ําทมาหากินร่ํารวย<ม>คนไม่ใช่ไปรับขันรับอะไรมาแล้วจะร่ำรวยมันไม่มีหรอก<ม>อยากจะรวยก็ต้องมีความรู้ที่จะไปใช้เป็นเครื่องมือหากินได้ คำถามจากคุณวราค่ะระหว่างที่นั่งสมาธิดูลมหายใจเป็นการทำสมถกรรมฐานเป็นการฝึกจิตให้มีสติต่อเนื่องเพื่อการมีสมาธิแล้วเราจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้อย่างไรคะวิปัสสนากรรมฐานนี้หมายถึงการรู้แจ้งเห็นในไตรลักษณ์ถูกไหมคะต้องทำแยกจากการนั่งสมาธิที่ดูลมหายใจไหมคะ ก็เวลาไม่ได้นั่งก็พิจารณาไปสิให้ เ, เวลานั่งก็ไปพิจารณาทำไมเวลานั่งต้องการหยุดพิจารณาเวลาไม่นั่งก็พิจารณาไปได้ทั้งวันทั้งคืนพอจะมานั่งจะมาพิจารณาทำไมเวลานั่งเพื่อหยุดความคิดให้จิตสงบเป็นอเบคาอพ อ, อ, อจากสมาธิมาก็คิดไปสิเรียกว่าจินตามยปัญญาอานิจจังทุกขังอนัตตาไปอยู่เรื่อย ต่อไปพอมีทั้งจินตามีทั้งสัพเพเบขาพอเจออนิจจังทุกขังอนัตตาของจริงก็ปล่อยวางได้ไม่ทุกข์กับมันได้คำถามจากคุณอารีพรค่ะเคยขับรถเหยียบลูกหมาตายเพราะแม่หมามาคลอดใต้ท้องรถไม่ทราบว่าเขามาคลอดตอนไหนเชา้าก็ขับรถออกไปทํางานไม่รู้เลยว่าไม่รู้เลยว่าเหยียบหมาตายตอนเย็นทราบอย่างนี้บาปมากไหมคะ ไม่บาปหรอกเพราะเราไม่มีเจตนาเป็นเหมือนเรื่องอุบัติเหตุเหมือนต้นไม้ล้มลงมาทับคนตายมันไม่มีใครมีเจตนาที่จะไปทำให้คนเขาตายถือว่าเป็นกรรมของเขาหรือเป็นการสิ้นสุดกรรมก็ได้อาจจะต้งไม่ต้องอยู่เป็นหมาอาจจะได้ไปเกิดเป็นคนต่อไปบวชกรรม <c oughs> ทำท่านอุณอุมาค่ะถ้าเราไม่มีอุเบขาหรืออุเบขาไม่สมบูรณ์เราก็จะไม่เห็นอนัตตาได้แท้จริงแล้วเมตตากรุณามุทิตามีความสัมพันธ์อย่างไรกับอุเบขาเพื่อจะเชื่อมไปถึงการเห็นอนัตตาอย่างท่องแท้เจ้าคะอนัตตาไม่ได้เกิดจากการเห็นการมีอุเบขาอนัตตาเพียงแต่ทาให้ใจปล่อยวางวางเฉย อนัตตาต้องเห็นด้วยการพิจารณาด้วยการฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะสอนว่าอนัตตาเป็นอย่างไรแล้วเราก็เอาไปนึกภาพเอาไปทำไปพิจารณาให้เกิดความเข้าใจจนเห็นว่าอนัตตาเป็นอย่างไรเช่นร่างกายเป็นดินน้ํามลมไฟทําไมถึงเป็นดินน้ํำลมไฟเพราะมันทํามาจากดินน้ํำลมไฟอาหารที่กินเข้าไปก็เป็นดินส่วนใหญ่ น้ำที่ดื่มก็ไปก็เป็นน้ําเอลมหายใจก็เป็นลมไฟก็คือความร้อนจากแสงอาทิต ย, ย์พอมาครบสูตรมันก็เป็นผมขนเล็ดฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกขึ้นมาเออันนี้พิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนดินน้ําลมไฟไม่มีตัวตนเมื่อมันมารวมกันมันจะเป็นตัวตนขึ้นมาได้อย่างไรให้พิจารณาอย่างนี้ ไม่ได้เกิดจากอุเบกขาอุเบกขานี้ทําใจให้นิ่งให้สงบให้มีความสุขพอใจมีความสุขก็แผ่เมตตาได้แบ่งความสุขให้กับคนอื่นได้เวลาไม่มีความสุขไปแผ่เมตตาให้คนอื่นได้ไหม <1> 1> เวลาโกรธเวลาทุกเวลาเสียใจนี่ไปให้คนเอาความสุขให้คนอื่นเขาได้เปล่า <1> <1> ไม่มีความสุขในตัวเราเราจะไปให้ความสุขกับเขาได้อย่างไรต้องมีอุเบกขามีความสุขในใจ แล้เมตตากราุณามุดิตามันจะตามมาเองเนีย่ยบอ่ผลิตเมตตากราุณาบุดิตาก็คือออเบกขาเนี่จากคุณพัทธรัมณ์ค่ะถ้าจิตฟุ้งซ่านตอนนั่งสมาธิควรทําอย่างไรดีเจ้าคะก็ต้องบริกรรมพุทโธยอย่านั่งเฉยๆพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วดูลมหายใจเขาออกไปอย่าไป หลยให้ใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็หายฟุ้งเองคําถามจากคุณกําพลค่ะการที่ระบวชภายในใจนี่คื อ, คอการถือศีลถูกไหมครับก็ส่วนหนึ่งของการบวชก็คือการถือศีล น, นอกจากนั้นก็การฝึกสมาธิการเจริญปัญญาเป็นสามเป็นสามวิชาของนักบวชเรียกว่าไตาสา่สิกขาศีลสมาธิปัญญา คำถามจากคุณนาวีค่ะพระอาจารย์เจ้าคะผีมีจริงไหมคะหนูกลัวผีมากเจ้าค่ะผีมีจริงแต่ผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงเข้าใจไหมจาไว้คาถานี้ท่องไว้ผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงผีหลอกคือใครเราคิดไปเองเราสร้างมันขึ้นมาเองเนี่ยตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีผีสักตัวเดี๋ยวยึกคืนนี้เรามานั่งคนเดียวดูผีมาเต็มไม่หมดผีหลอก ผีจริงเขาไม่มีเวลามาหลอกเราเขาหลอกเราเขาได้อะไรไปอืเขาก็ไปตามบุญตามกรรมของเขาคือดวงวิญญาณชนิดต่างๆนอกจากบางเวลาอาจจะมาจ้าเอกันเหมือนเราเดินในป่านี่ดีไม่ดีเดี๋ยวก็งูมันก็เงยเนื้อยขานออกมาก็เท่านั้นเองเขาก็ไม่มายุ่งกับเราเราก็ไม่ยุ่งกับเขาก็ต่างคนต่างไปกันคนละทางกันไปฉะนั้นผีจริงไม่หลอก ผีหลอกคือใจเราปรุงเราสร้างขึ้นมาเองโอ้ยผีมาแล้วผีตัวนั้นผีตัวนี้มาแล้วอันนี้แหละผีหลอกนะไม่ใช่ผีจริงคำถามจากคุณนโมค่ะการทำสมาธิแบบแรกถ้าจิตเริ่มสงบแต่ต้องออกจากสมาธิเพราะจำกัดด้วยภาระอื่นแต่ทำทุกวันกับแบบที่สองนั่งโดย มีเวลาให้จิตถอนออกเองไม่ถูกจำกัดเวลาแต่ทำทุกสามวันควรเลือกแบบไหนดีเพื่อผลที่ดีกว่าเจ้าคะก็ลองดูสิมาถามเราทำไมมีก๋วยเตี๋ยวกับข้าวผัดอยากจะกินอะไรก็ลองกินดูอันไหนมันดีกว่ากันก็กินอันนั้นได้ตอนนี้คำถามหมดค่ะพระอาจารย์โอเคมีใครอยากจะถามไหมอ๋อ คำถามบางอย่างก็ไม่ต้องถามหรอกคือคือของบางอย่างเราต้องพิสูจน์ด้วยตนเองคนอื่นมาพิสูจน์ให้เราไม่ได้หรอกฉะนั้นเราถ้ามีทางเลือกก็ลองทำมันทั้งสองทางดูทางนี้เป็นอย่างไรดีไม่ดีกว่าทางนี้หรือเปล่าแต่โดยสรุปถ้าการปฏิบัติจริงๆแล้วมันต้องทำให้มากไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม ยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ผลมากเท่านั้นทําน้อยมันก็ได้ผลน้อยทำมากก็ได้ผลมากถ้าอยากจะได้ผลมากก็ต้องทํามากไม่ว่าจะแบบไหนรูปแบบไหนก็เหมือนกันอยู่ที่เหตุเหตุคือการกระทําผลถึงจะตามมาผลน้อยเพราะเหตุน้อยผลมากเพราะเหตุมากถ้ามีเท่านั้นต้องพยายามสร้างเหตุให้มากเราจะได้ผลมากมาก เพราะว่ายังมีผลอีกมากที่เราควรจะได้แต่ยังไม่ได้เพราะเราไม่สร้างเหตุที่จะทำให้มันเกิดผลขึ้นมาถ้าเราสร้างเหตุให้มันมากขึ้นเนี่ยวันหนึ่งเรามียี่สบสี่ชั่วโมงเนี่ยเราใช้กับการปฏิบัติธรรมสักกี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยถ้าเราอยากจะได้ผลจากการปฏิบัติธรรมมากเราก็ต้องเพิ่มเวลาการปฏิบัติธรรมให้มากพระสาวกทั้งหลายนี่ท่านใช้เวลาปฏิบัติธรรม ตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับนั่นแหะเวลาหลับนี่ปฏิบัติทำไม่ได้แต่พอตื่นขึ้นมาปั๊บนี่ท่านตั้งสติก่อนพุทโธก่อนควบคุมความคิดก่อนมีสติอยู่กับการกระทาอะไรต่างๆไปแล้วมีอะไรมาสัมผัสก็อาจจะพิจารณาปัญญาไปไปด้วยก็ได้สลับกันไปเห็นอะไรพอจะไปยึดไปติดไปชอบก็บอกอันนี้จังทุกขังอนัตตาแล้วพอมีเวลาว่างก็เข้าสมาธิ เพื่อทำใจให้เป็นอุเบกขาเพราะถึงแม้ว่าบางทีเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่มีกำลังที่จะสู้กับมันหยุดมันได้ก็ต้องเข้าสมาธิบ่อยๆเพื่อให้จิตเป็นอุเบกขาพอจิตเป็นอุเบกขาออกมามันก็จะเห็นอะไรเป็นตายลักมันก็จะปล่อยได้ไม่ทุกข์กับมันได้นี่คือการปฏิบัติต้องถ้าอยากได้ไดผลเต็มร้อยเหตุก็ต้องเต็มร้อย คือการปฏิบัติต้องเต็มทุกเวลานาทีตั้งแต่ตื่นจนหลับเพราะกิเลสผู้ต่อสู้ของเรามันทำงานทุกเวลานาทีพอตื่นขึ้นมามันก็คิดถึงนิจจังสุขขังอนาตานะวันนี้จะไปหาความสุขจากใครดีจากอะไรดีมันคิดตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาแนละ้วใหเราอนิจจังทุกขังหนาตาไม่ทันมัน มันก็เดินเราไปหานิจจังสุ ข, ขังอั้ตาแล้วก็มาร้องหุม่มร้องไห้ทีหลังเพราะมันกลายเป็นอนิจังทุกขังอน้าตาขึ้นมาถ้าเราคิดถึงอนิจังทุกขังหน้าตาตลอดเวลามันก็จะไม่ไปหาอะไรมาให้ทําให้เราทุกข์เราก็จะอยู่คนเดียวได้อยู่กับความสงบเพียงอย่างเดียวได้ไม่ต้องทุกข์กับอะไรได้คําถามจากคุณวัุวัตรค่ะ ถ้าบวชที่วัดจานหนึ่งพรนษาจะได้รับโอกาสคำสอนจากพระอาจารย์ไหมครับไม่ต้องบวชก็ได้เนี่ยฟังอยู่ทุกวันเนี่ยคนที่ก็ไม่บวชเขาฟังกันทุกวั น, นหนังสือก็มีให้อ่านกองเท่าภูเขาแล้วนี้ไม่จาเป็นที่จะต้องมาฟังจากปากโดยตรงแล้วเพราะว่ามันสอนคนต่อคนไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้มันไม่มีเวลายยเว้นว่าถ้ามีจังหวะว่างแล้วมีคาถามมีข้อสงสัยบางอย่าง ที่หาจากหนังสือไม่ได้หาจากการฟังธรรมไม่ได้ก็มาถามอย่างตอนนี้ก็เนี่ยคุณก็ส่งคาถามเข้ามาก็ได้เนี่ยคำถามคุณไม่ส่งเข้ามาถามในเรื่องที่ไม่ควรจะถามนะอาจารย์ผู้ไม่ประสงค์ออกนามคะ่ะทำไมคนเราต้องตายคะขอเกิดไงถ้าไม่เกิดมันจะตายเลยไหมนะถ้าอะไรว่าคาถามง่ายๆตอบคำตอบเยอะง่ายๆนึกไม่ออกอ่ะ ตายเพราะอะไรตายเพราะเกิดเลยถ้าไม่เกิดมันจะตายได้ไหมถ้าไม่มีร่างกายโผล่ขึ้นมาร่างกายมันจะตายได้หรือเปล่าคำถามจากผู้ไม่ประสงค์นาถุท่านค่ะถ้าเราคิดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาแบบนี้เป็นการคิดที่ถูกต้องไหมเจ้าคะคิดแล้วต้องเข้าใจไม่ใช่คิดแบบนกแก้วนะมันนกแก้วมันท่องแก้วจ๋าแก้วจ๋าได้พอเอาแก้วให้มันมันเขี่ยทิ้งหมดนะมันยาวกล้วยนะ พอเราท่องอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเจอของสวยๆงามๆก็กลายเป็นนิจจังสุขขังอนาตาขึ้นมาทันทีพอเจออนิจจังก็หนีเลยพอเจอคนตายก็วิ่งหนีเลยพอเจอคนเจ็บก็วิ่งหนีอันนี้แสดงว่าเป็นแบบนกแก้วท่องแบบนกแก้วถ้าท่องแบบแบบคนนี้เจออนิจจังก็ไม่หนีเจอทุกขังก็ไม่หนีเจออนัตตาก็ไม่หนี ปล่อยวางให้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปตามเรื่องของมันคำถามจากคุณเอสพีค่ะจะสอนให้เด็กรู้จักรู้และเข้าใจในไตรลักษณ์สอนอย่างไรเจ้าคะก็สอนอย่างนี้วันนี้กินวันนี้ให้เงินไปซื้อขนมเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องกลับมาขอใหม่ละเงินหมดแล้ะ น, น, นี่ก็เป็นอนิจจังดูหนังดูการ์ตูนปั๊บจบแล้วก็บร น, นี้เป็นอนิจจังใช่หมดแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจังหมดนะรูปเสียงกลิ่นรสที่เราเสพสัมผัสด้วยตาหูจมูกดิ้นกายเป็นอนิจจังหมดบางอย่างชา้าบางอย่างเร็วหมดเร็วบางอย่างหมดชา้าแต่มันหมดมันต้องมีวันหมดบอกพ่อแม่ต่อไปก็จะไม่ได้อยู่กับลูกแล้วบอกต่อไปแม่ปูย่ย่าตายายเคยอยู่กับเรามาเดี๋ยวท่านก็ไปแล้วนี่ก็เป็นอนิจจังสอนมันไปเป็นเรื่องธรรมดา สอนมันบ่อยๆฟังบ่อยๆมันก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้เป็นเรื่องน่าหวาดกลัวหวาดเสียวแต่อย่างใดแต่พวกเรามันกลัวคําว่าตายเราไม่กล้าพูดไม่กล้าสอนความตายกันเกี่ยวพอคิดถึงความตายแล้วความตายจะมาทันทีมาก็มาเถอะมาก็ห้ามมันไม่ได้แต่มันจะทําให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาจะทําให้เราไม่ทุกเนี่ยเนี่ยเราโชคดีเราไปเห็นคนตายตั้งแต่อายุประมาณสักสิบสองขวบนะ มันก็เลยเห็นอนัตเห็นอนิจจังเพราวชีวิตของคนเราทุกคนในที่สุดมันก็ต้องตายมันก็เลยทําให้ไม่ค่อยยึดติดกับอะไรอยู่ไปแต่ยังไม่มีทางออกไม่รู้ว่าทางออกจากจากอนิจจังทุกขังอนัตตาออกยังไงก็ต้องรอให้มาโตก่อนเนี่ยเรียนจบปริญญาแล้วถึงจะมาค่อยเจอธรรมะถึงเข้าใจวิธีที่จะทําให้เราออกจากอนิจจังทุกขังอนัตตาไปได้ ก็ด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาพอปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามันก็ออกจากตายรักมันก็ปล่อยวางตายรักได้ไม่ทุกข์กับตายรักได้อันนี้ฉะนั้นต้องบอกความจริงไม่ต้องกลัวสอนลูกไปเลยเนี่ยเราไม่ได้อยู่ด้วยกันไปตลอดนะเห็นไหมปู่ย่าตายายเคยอยู่กับเราตอนนี้ท่านไปแล้วพวกเรามีคิวกัน เดี๋ยวคิวพ่อของปู่ย่าไปแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ของของพ่อแม่แล้วต่อไปก็คิวของพี่แล้วเดี๋ยวต่อไปก็คิวของหนูแล้วของน้องของลูกแล้วสอนไปสอนได้ไม่ต้องมีไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรน่าหวาดเสียวน่าหวาดกลัวเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเนี่ยนฮะทุกอย่างมันมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาจะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้รับเหตุการณ์ พอเวลาเจอคนตายเสียคนที่ลากไปก็จะไม่เสียใจพเพราะรู้ว่ามันเป็นธรรมดาวันไหอยังมีคำถามอะไร การตั้งใจฟังธรรมะจากพระอาจารย์ถือว่าเป็นสมาธิอย่างหนึ่งใช่ไหมเจ้าคะแล้วสมาธิเกิดจากการฟังธรรมนี้จะมีกําลังพอที่จะเอามาตัดกิเลสได้ไหมคะหรือต้องเป็นสมาธิจากการนั่งสมาธิเท่านั้นถึงจะมีกําลังพอที่จะามาใช้ในการพิจารณาตัดกิเลสคะ่ะ อันนี้ก็ต้องลองปฏิบัติไปดูดีกว่าเพราะเราก็ไม่กล้าที่จะไปพูดว่าจะต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เพราะมีคนฟังธรรมแล้วบรรลุ ธ, ธรรมได้ก็มีเราก็ไม่รู้ว่าธรรมสมาธิของเขาในระดับไหนแต่เราเชื่อว่าส่วนใหญ่เป็นพวกที่มีอุเบกขาแล้วทั้งนั้นถึงจะสามารถฟังธรรมแล้วบรรลุ ธ, ธรรมได้ถ้ายังไม่มีอุเบกขาแต่ขณะที่ฟังธรรม กิดเป็นอุเบกขาขึ้นมาก็อาจจะปล่อยวางได้ต่อไปอาจจะไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายก็ได้อันนี้ถ้าอยากจะรู้ก็ต้องไปพิสูจน์ดูอีกทีไปหาที่มันน่ากลัวที่จะทําทให้เราตายดูซิว่าเรายังเป็นอุเบกขาอยู่หรือเปล่าหรือไปนั่งให้มันเจ็บแล้วก็อยากไปลุกอยากไปขยับดูซิว่าเราจะอยู่กับความเจ็บได้หรือเปล่าอันนี้เราก็พิสูจน์ได้ อันนันเป็นเรื่องสารทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นผู้ที่พิสูจน์ด้วยตนเองผู้สอนก็เพียงแต่บอกวิธีการเท่านั้นอย่างนั้นถ้าอยากจะรู้ก็ต้องปฏิบัติต้องพิสูจน์ด้วยตนเองวันแล้วเลยอีกคำถามครับอาจารย์จากคุณรัตนาค่ะหนูถือในสัญชิกที่วัดมีสิ่งที่หนูมองไม่เห็นแต่สื่อได้เหมือนมีใครมานั่งมาปัด แล้วนั่งสมาธิฟังธรรมใกล้ๆหนูกับหนูเป็นไปได้ไหมคะว่าเป็นเทวดามาร่วมปฏิบัติด้วยเราก็อยากไปอุปทานอยากไปคิดมันจะเป็นอะไรก็รู้ตามความเป็นจริงถ้าอยากจะรู้ก็ถามมันเสรมันเป็นอะไร <c oughs> เป็นเทวดาหรือเป็นอะไรก็ถามได้มันถามเราทําไม <c oughs> ใช่ไหมถ้าเจออะไรแล้วก็ถามเนี่ยถ้าถามแล้วมันไม่ตอบก็อาจจะเป็นไม่เป็นความจริงก็ได้ ถ้าเป็นเทวดาจริงเขาก็จะตอบได้ว่าฉันเป็นเทวดามาจากฉันนั้นชันนี้มาฟังเทศฟังธรรมร่วมกับเธออันนี้ถามได้ถ้าเป็นของจริงถามได้ถา้าถามแล้วไม่ตอบไม่อะไรก็แสดงว่าไม่ใช่เป็นของจริงก็ไม่ต้องไปสนใจมันเป็นอุปทานเราไปปรุงแต่งไปคิดมโนขึ้นมาในใจเราโดยอาศัยความรู้สึก อะไรขึ้นมานิดหน่อยก็โอ้มีอะไรมานั่งข้างๆเราแล้ ว, ลวมีลมพัดหน่อยก็โอ้ยมีอะไรมานั่งข้างๆเราแล้วก็วมันเป็นลมอ่ะเราจะไปว่ามันเป็นอะไรรามักจะไปแปลลมไปเป็นผีเป็นอะไรขึ้นมาเห็นไหมเสียงดังหน่อยเนี่ยอยู่ในกุฏิมีตุ๊กแกวิ่งบนเพดานหน่อยผีมาแล้วเนี่ยมันเสียงอ่ะมันไปแปลว่าเป็นผีได้งไง ดูให้พระพุทธเจ้าบอกเห็นเสียงก็สักแต่ว่าเห็นว่าเป็นเสียงสัมผัสการอะไรก็ให้รู้ว่าสัมผัสกับสิ่งนั้นไปอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปอุปทานว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หดนัว้วนะอานแล้วนวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัต เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิน